ความเข้าใจชีวิตเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราเข้าใจแล้วนี่ชีวิตของเราก็จะไม่มีทุกข์ความทุกข์ก็เป็นเรื่องใหญ่ของโลกถ้าพอเราเข้าใจมันก็แก้ไขทุกเปน็นก็แก้ไขทุกเป็นก็แก้ไขปัญหาทุกอย่างเป็นใ น, นเรื่องของ การปฏิบัติก็จึงให้ศึกษาด้วยความถูกต้องให้มากถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตที่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ถูกต้องปัญหามันก็เกิดโดยธรรมชาติด้วยธรรมดาของมันเนะพราะคนเราส่วนใหญ่นั้นเกิดมาแล้วไม่ได้ศึกษาไม่ได้สดับไม่ได้เรียนรู้มาก่อน ทั้งคนทั้งเกิดมาด้วยแรงกรรมนั้นทางกรรมที่เป็นกุศลก็ส่งมาเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็มีความสบายอยู่ระดับหนึ่ง แ, แรงกรรมที่เป็นอกุศลส่งมาเกิดก็ไปตกสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีจะมีปัญหาและความทุกข์แต่ทั้งที่สิ่งแวดล้อมดีไม่ดีทั้งสองฝ่ายก็เรียกว่า ทุกคนละแบบคนดีก็ทุกแบบคนดีคนชั่วก็ทุกแบบคนชั่วนะ น, นั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระหันทั้งหลายท่านเห็นภัยอยันนี้เอ อ, อความไม่ทุกข์มันก็มีอยูนะ่ก็สามารถที่จะออกจากทุกข์ได้แต่ความทุกข์นี่มมีสองระดับทุกกายกับทุกใจนะ เราได้กล่าวเรืองทุกทางกายนีย่มันได้แค่บำบัดเพื่อทำให้หมดโดยเด็ดขาดไม่ได้บำบัดให้มันเบาบางได้ทุกกา ย, เ, ยเพราะว่าเราที่เรามาเกิดนี่เป็นมนุษย์นี่ก็เพราะว่าเราเกิดมาด้วยอํานาจของทุกถ้าเราไม่มีทุกเราก็ไม่มาเกิดแต่นั้นเองก็เหลือว่าทุกข์ในส่วนที่เป็นทางกายเนี่ย ก็ถือว่าเป็นแรงกรรมถ้าเราไม่ได้เกิดมาได้อํานาจแรงกรรมเราก็ไม่มีทุกข์ทางทางกายทางจิตถ้าหมดกรรมแล้วก็เหลือทุกข์อีกฝ่ายเดียวคือเหลือทุกข์ทางกายในทุกข์ทางกายนี่ก็ไม่มีปัญหาแล้วเพราะมันแก้ไขบําบัดได้เรื่อยๆแลืวกคนและสัตว์ก็บําบัดได้สัตว์เวลามันเจ็บมันป่วยมันก็หายารักษามันอย่งสุนัขน ไปรปวยขึ้นมามันก็ไปหาเคี้ยวยากินยาอะไรที่มันถูกโรคมันก็หายได้คนก็มาตรฐานสูงขึ้นมาก็ผลิตยาเป็นรู้จัก ร, รักษาด้วยวิธีการต่างๆเป็นดัง น, น, นั้นเองในการ <c oughs> มาเจริญวิปัสสนาเนี่ยทำให้เรารู้จักรายละเอียดเหล่านี้ได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ตามอำนาจของแรงวิปัสนาญาณถ้าแรงวิปัสนาญาณสูงก็รู้เรื่องของความเป็นไปเป็นมาของชีวิตได้ละเอียดได้ลึกได้ไกลที่เรียกว่าระลึกชาติได้รอยชาติพันชาติมือชาติแสงชาติตลอดชาติอย่างยิ่งหมายถึงระลึกได้อย่างนี้ระลึกถึงชีวิตที่เคยมันเป็นทุกข์เพราะอะไรเนี่ยเห็น นะที่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ไม่มีวิปัสสนาญาณเราก็ระลึกไม่ได้ว่าเราทุกไปเรื่องอะไรเราก็ทุกอยู่ อ, อย่างนั้นตลอดนะจนกระทั่งว่าเราได้เห็นนะได้เห็นกายเห็นใจของเราตามความเป็นจริงนะโดยเห็นโดยละเอียดหรืโดยหยาบประจำถ้าหากว่า มีปัศนาญาณของเราแรงกล้าการเห็นก็ละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆเยหมือนกับแรงไฟแรงเทียนถ้าแรงเทียนต่ํามันก็เห็นอะไรห ย, ยาบๆสลัวๆถ้าแรงเทียนสูงการเห็นก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆ อ, อันนี้คือหลักธรรมชาติมันไม่ใช่เรื่อง สลับซับซ้อนหรื อ, อยากอะไรแต่ได้ความไม่รู้อะทุกอย่างมันกลายเป็นเรื่องสลับซับซ้อนกลายเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อ น, นกลายเป็นเรื่องยากอันนั้นเองการปฏิบัติวิปัสะนาก็เป็นการไขไขความลับของชีวิตทุกแง่ทุกมุมว่าทำไมเราจะทุกกายทำไมเราจะทุกใจสาเหตุของทุกกายมาจากอะไรสาเหตุของทุกใจ มาจากสาเหตุอะไรสาเหตุทุกทางกายแก้ไขอย่างไรสาเหตุทุกทางจิตแก้ไขอย่างไรเนี่ยวิปรสนายานมันจะเข้าไปรู้เรื่องเหล่านี้หมดแล้วมันก็ทำได้ด้วยแต่ถ้าชีวิตที่ไม่มีวิปัสนาญาณมันทำได้อยางห ย, ยาบหยาบทได้อยา่างยากหยาเหมือนกับแรงเทียนหรนือแรงตะเกียงก็ส่องได้ ย, บ ย, บยาบหยา แล้วกาทำท่าจะดับอยู่เรื่ยอยถ้ามีเงินไขอะไรไม่ช่วยเอือ้อมันก็ดับน้ำมันก็จะหมดใส่ก็จะหมดลมพัดก็จะดับสว่างก็น้อยอันนี้เขาเรียกว่าแรงปัญญาที่เป็นโลกีย ม, มีแค่นั้น อ, อย่างมากก็เพิ่มแรงไฟด้วยเชื้อเพลิงต่างๆ มันก็มีเงื่อนไขไม่แน่นอ น, นตัวของมันเช่นอาจจะเพิ่มไฟกองเล็กเป็นกองใหญ่เทียนหลายเล่มเดียวเป็นหลายเล่มตะเกียงหลายอันเป็นหลาตะเกียงเจ้าพายุก็ใช้กันมานานดีแก้ไขปัญหาแบบโลกิยะปัญญาก็แบบเดียวกันเพิ่มเท่าไหร่มันก็ยังมีเงื่อนไขไม่แน่นอนอยู่ดีแต่พอเรามาเจริญ วิปัสนาเรารู้ยานปัญญาที่เป็นระดับโลกรุตระเราพัฒนาแงไฟแรงเทียนให้มันมาตรฐานขึ้นเหนะมือนกับเราพัฒนาแหล่งเทียนต่างๆจากไฟฟ้าจากแหล่งทันหินจากปรมาณูจากแสงพระอาทิตอะไรต่างๆอันนี้เกินพัฒนาธรรมชาติภายนอกมันก็สามารถทำให้คงที่ได้ระดับนึง หรืจะมีเงื่อนไขแต่ก็ไม่มากเหมือนกับไฟตะเกียงไฟเทียนสามารถจะเปิดนานเท่าใดก็ได้มีการปรับให้นานเท่าไหรก็ได้ทีนี้ <c oughs> ตัวตัวแรงอิปสนาญาณที่เป็นกอุตละก็แบบเดียวกันนะสามารถปรับให้ <c oughs> คงที่ให้ยั่งยืนไดนะ้ขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจ ในเรื่องของยานปัญญาได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเข้าใจได้มากก็ปรับได้มากถ้าเข้าใจได้น้อยก็ปรับได้น้อยเพราะฉะนั้นแรงเทียนที่ใช้กันในบ้านในช่องมันก็ต่างระดับกันไปอีกนะแรงเทียนห้าว้นสิบวุ้นแรงเทียนสายตรงแลงเทียนสายไม่ตรงแรงเทียนที่สว่างมากกว่าแสงเทียนที่สว่างน้อยกว่าตัวยานปัญญาที่เป็นโลกุตละก็เหมือนกัน บางคนก็รู้มากบางคนก็รู้น้อยบางคนก็รู้ปานกลางถ้ารู้มากแรงเทียนก็เพิ่มแรงเทียนให้สูงขึ้นไปเรืยจากร้อยจากหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันก็ได้ถ้ารู้ปานกลางก็เพิ่มได้ระดับหนึ่งถ้ารู้เบื้องต้นก็เพิ่มได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นทั้งรูปธรรมนามธรรมมันส่งถึงกันเพราะในตัวรูปธรรมเองมันก็พัฒนามาจากนามธรรมานั่นแหละเพราะฉะนั้น เหตุของรูประธรรมก็อย่างนามมาทำนั่นแหละลูประธรรมมันเป็นอย่างไรนามธรรมาก็มาจากนั้นเพราะเหตุมาจากตรงนั้นแต่การที่เราสื่อวิวัฒนาการระหว่างนามธรรมมาเป็นลูปธรรมไม่ถึงกันเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่มีโลกุตละปัญญาดังนั้นการปฏิบัติวิปัสนาจะทําให้เรา เ, เกิดโลภุตละปัญญาและสามารถลําดับเหตุไปสู่ผลได้สามารถระดับผลไปสู่เหตุได้ จึงไม่สงสัยว่าอันนี้มาจากอันนี้อันนี้มาจากอันนี้ความอาของใจความสงสัยในเรื่องราวต่างๆผู้ที่มีวิปัสสนาญาณสูงแล้วจึงไม่มีไงเพราะสามารถโยงเหตุถึงผลโยงผลถึงเหตุได้แลสามารถรู้ในสิ่งที่มันเหนือเหตุเหนือผลได้ด้วยเพราะเรื่องของวัตถุหรือเรื่องของโลกิยานี่เป็นเรื่องของเหตุของผลที่เป็นรูปธรรม แต่โลกุตละนั้นไปรู้ถึงเรื่องของเหตุของผลที่เป็นโลเป็นนามธรรมได้ด้วยคนที่มีปัญญาทั้งโลกจะรู้มากขนาดไหนก็รู้แค่เหตุผลในส่วนที่เป็นรูปธรรมเท่านั้นอย่างอันเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยแกเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดขนาดไหนแกก็โยงไม่ได้ระหว่างนามธรรมแกโยงแต่รูปธรรมสู่รูปธรรมเท่านั้นอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่า ตัวความรู้สึกพัฒนาเป็นขันห้าตัวขันห้าพัฒนาเป็นธาตุสี่ธาตุเสียพัฒนาเป็นอายตนะห้าสอายตนะห้าสิพัฒนาเป็นธาตุสิปดธาตุสิพัฒนาเป็นอาการสามยอะไรพวกนี้อันเบอร์สไตล์ตามไม่ถึงในส่วนที่เป็นวัตถุยังธาตุสขันห้าเนี่ยพอยงได้แต่พอเป็นเรื่องของนาํา โยงไม่ถูกละเพราะแกไม่มีปัญญาญานวิปสัสนาทางด้านที่เป็นโลกุตตระแล้วก็ยอมพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านโยงเห็นว่านามธรรมสู่ลูก ป, ประธรรมยังไงนามธรรมอันละเอียดสู่รูปธรรมอันละเอียดได้นามธรรมลูกประธรรมอันละเอียดสู่นามลูปธรรมอันหยาบได้อย่างไรท่านมองเห็นทะลุมดเรียกว่ายานปัญญาหรือทิพตาทิพเทีมาเรียกกัน รู้วิชาสามอภิญญาหรู้เบาไปบัญญัติเป็นวิชาสามอภิญญาห <c oughs> แต่ว่าพระอดิเจ้าบางระดับที่ไม่มีคุณสุบัติก็ได้แค่สุขวิปัสสโกคือสามารถทำลายกิเลสได้ดับทุกข์ได้เท่านั้นแต่ไม่มีคุณสุบัติไม่มี คุณวิเศษก็มีอันแบ่งไว้เขาเรียกว่าเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วรู้วิชาสามบางพวกก็รู้อภิญาหกบางพวกก็รู้ปฏิสัมพิทาสีบางพวกทั้งสมนั้นก็ไม่ได้ก็ไปได้อันสุดท้ายคือสุขวิปัสสโกคือมี วิปัสนาที่จะสวยความสุขเท่านั้นแต่ไม่มีคุณพิเศษเพราะว่าตัวเองไม่ได้สั่งสมมาก่อนไม่ได้สั่งสมบุญบรารมีไม่ได้สั่งสมประสบการ น, นั้นมาก่อนเหมือนกับ น, นักเรียนนักศึกษาจบปริญญาตรีเหมือนกันแต่คุณพิเศษไม่เท่ากันบางคนจบปริญญาตรีมาเฉยๆจะไปทาเรื่องศิลปะก็ไม่ได้จะทาเรื่องไฟก็ไม่ได้ จะไปทำเรื่องน้ำเคมีชีวะอะไรก็ไม่ได้เพราะจบมาสาขาที่มันไม่ได้มีคุณสมบัติอย่างนั้นแล้วจะเห็นว่าการศึกษาทางด้านนมามธรรมเหมือนกันมันก็มีคุณสมบัติแบบเดียวกับวัตถุธรรมนั่นแหละแต่ที่นี้เราไม่ได้ปฏิบัติมิปเสนาเราก็เลยไปเห็นคุณสมบัติเหล่านี้เป็นเรื่องวิเศษคุณวิเศษอันนี้เป็นของวิเศษ เพราะตัวเองไม่มีอย่างสมมติเราไปเห็นเขาทําไฟฟ้าเป็นไอคนที่ทําฟ้าไฟฟ้าไม่เป็นก็เห็นโอ้คนนี้วิเศษอย่างทําไฟฟ้าเป็นคนที่เล่นกีฬามันทํายิมนาติกไม่ได้มันก็เห็นคนที่ยิมเล่นยิมนาติกได้นคนวิเศษแต่ความจริงเขาก็สามารถจะเป็นได้ถ้าเขาฝึกมากั้แต่แรกๆต้นๆเหมือนกับคนคนนั้นนี่เขาเรียกว่าบุญบารามีไอการเริ่มมามันไม่เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามนะผู้ที่เจ้าท่านก็ไม่ได้เน้นในเรื่องคุณวิเศษครับแต่ท่านเน้นเรื่องการดับทุกข์เท่านั้นคุณจะได้คุณวิเศษชไหนไม่สําคัญนะแต่ว่าขอให้ดับทุกข์ให้เป็นทําลายอัสวะทําลายอาวิชชาให้ได้ก็แล้วกันของคุณวิเศษเนี่ยเป็นเรื่องผลพลอยได้เป็นประสบการณ์เก่าผลพลอยได้ <c oughs> ไม่ใช่จะตามมาได้ทุกคน <c oughs> บางคนใน ม, มีความเชี่ยวชาญชำนาญตั้งแต่เข้าเรียนเข้าศึกษาแล้วชำนิชำนาญเรื่องรถเคยซ่อมรถมาตั้งแต่เข้าไปเรียนเรื่องเทคนิค克拉พอจบเทคนิคมาไอความเชี่ยวชนาญก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าเพราะเขามีประสบการณ์มาก่อนแต่ไอคนที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเขาเรียนมาแค่ไหนก็ได้แค่นั้นความเชี่ยวชนาญก็ต่างจากไอคนที่มันมีประสบการณ์มาก่อนเพราะคุณพิเศษที่เรียกว่าอภิญญาหวิชา3ามภิญญาหกปฏิสวิทาสีก็เหมือนกันลักษณะอย่างนั้น คนที่ไม่มีประสบการณ์เรื่องเหล่านี้มาก่อนกับคนจบปริญญาตีธรรมดามีความรู้แค่ปริญญาตีในสาขาที่เขาถนัดเท่า น, นั้นแต่มากกว่านั้นเขาก็ไม่รู้นะสิ่งเหล่านี้เราต้องศึกษาเรียนรูนะ้อย่างน้อยที่สุดเรายืนไว้ที่การทำลายอาสวะให้ได้ก่อนทำอาสวะท่านยา ทำลายอสวกขั้นกลางทำลายอสวกขั้นละเอียดท่านใช้คำว่ากิเลสขัน้นละเอียดยาเกศขั้นกลางกิเลสขั้นละเอียดก็ได้ศีลเป็นตัวขจัดกิเลสอย่างยากสมาธิเป็นตัวขจัดกิดเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องขจัดกิเลสอย่างละเอียดเราก็มาศึกษาไตรสิขาสามนี่แหละให้ให้สูงขึ้นเรื่อยเรื่ิงสูงขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งไปจัดกิเลสได้มากเท่านั้นพัฒนาศีนี่เป็นสมาธิพัฒนาสมาธิให้เป็นปัญญาพัฒนาปัญญาให้เป็นญาณปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆนทีนี้บางคนก็มีความสามารถแค่รักษาศีนจะไปทำสมาธิก็ทำได้บ้างมาได้บ้างบางคนมีความสามารถในการทำสมาธิได้ดีแต่พอไปเจริญวิปัสสนาก็ทาได้บ้างมาได้บ้าง บางคนจะเริ่มมีศาสนาได้แต่ว่ายานคุณวิเศษเกิดบ้างไม่เกิดบ้างบางคนได้ยานแล้วได้คุณวิเศษเกิดมากเห็นในความสามารถของแต่ละคนมันไม่เท่ากันแต่เราก็ไม่คนท้อเราก็พัฒนาไปตามลำดับเพราะว่าประสบการณ์หรือบุญบา ร, รมีของแต่ละคนเนี่ยในอดีตเราเคยเป็นอะไรมาชาติปางไหนเนี่ย ไม่มีใครรู้ได้เราอาจจะเคยเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์มาก่อนในอดีตชาติเราเกิดอาจจะเกิดเป็นคนที่เคยบวชว้ก่อนในอดีตชาติยาวไกลแต่ถ้าหากว่าอาดีตเคยเกิดเป็นผู้รู้มนุษย์มายาวไกลจากชาติที่เรามาเกิดชาติเนี้มันสื่อกันไม่เคยถึงมันไกลเกินไปก็ต้องใช้เวลานา น, านกว่าจะสื่อกันถึง แต่บางคนพอชาติที่แล้วเคยเกิดเป็นมนุษย์ได้บวชเป็นพระพอเกิดมาชาตินี้ปับ๊บพอปฏิบัติธรรมไม่นานก็รู้เพราะมันใกล้ชาติมันใกล้กันมันก็สืถ่ถึงถึงไวพอพึ่งข้ามพบขําชาติได้มานานอาวิชามันไม่มากที่จะหุ้มหอ่อมันก็รู้ได้เร็วบางคนปฏิบัติธรรมรู้ได้เร็วเพราะว่าเขาเคยสั่งสมประสบการณ์มาในพบชาติที่ไม่นานมานี้เองบางคนปฏิบัติธรรมรู้ได้ช้าเคยสั่งสมประสบการณ์มา เมื่อยาวนานก็จะเกิดขึ้นนะบางคนปฏิบัติทำยังไงก็ไม่รู้เพราะในอดีตไม่มีเคยมีประสบการณ์เรื่องเหล่านี้มาเลยมาชาตินี้เพงปฏิบัติแล้วไม่รู้ไม่เป็นไรเป็นการสร้างสมประสบการณ์ใหม่พอในชาติต่อไปเขาได้ไปเกิดใหม่อีเขาก็อาจจะรู้เร็วขึ้นมันไม่มีการคําว่าศูนย์เปล่าเลยเมื่อลงมือทําแล้วถ้าเราเคยมีบุญบารมีมาในอดีต แล้วก็จะประสบชาตินี้ได้ไวขึ้นหรืบุญบา ร, รมีที่สั่งสมมันเนี่ยมันยาวไกลเกินไปมันก็จะช้าหน่อยตามลําดับถึงความระยะห่างแต่ว่าในอดีตนะไม่ว่าพบไหนชาติไหนเนี่ยเราไม่เคยบำเพ็ญเรื่องนี้มาเลยเรามาพบชาตินี้เราก็ได้มาสั่งสมตั้ง ต, งต้นใหม่พอไปชาติต่อไปมันก็เร็วขึ้นนั้นกรรมทุกอย่างมันมีผลทั้งนั้นคําว่าสูนย์เปล่าไม่มี ผู้ปฏิบัติเราไม่รู้เรื่องศูนงเปล่าอันนี้ไม่ใช่ปฏิบัติแล้วมันต้องมันต้องได้ส่วนจะได้ระดับไหนเ่ยแล้วแต่ว่าภูมิหลังประสบการณ์ของเราที่สั่งสมมาส่วนหนึ่งถ้าเราภูมิหลังประสบการณ์เรามาดีแล้วก็มาเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีปู่ย่าตา ย, ยายที่ดีมีคนแวดล้อมที่ดีมีคนแวดล้อมที่เป็นนักปฏิบัติมีเพื่อนที่เป็นนักปฏิบัติก็าสามารถชักนําชักจูงเข้ามาสู่ การปฏิบัติได้เร็วขึ้นแต่คนที่ในอดีตไม่เคยสร้างสิ่งเหล่านี้มาเกิดมาก็ไปเกิดในพวกวิชาทิฐิเป็นโจรเป็นขุนขม้มวยขี้ชอขีรักขีโกงประกอบวิชาชีพก็ไม่มีมิตรมีสหายที่จะเป็นเพื่อนที่จะดึงจงจงูมาทางนี้ไม่มีกระดิรมิตรเขาก็ทํากรรมต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเหตุปัจจัยทุกอย่างมันมีเหตุทั้งนั้นเลยสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุ น, น, นั่นเราจึงไม่ขนท้อถ้าเราไม่ได้สร้างสมมาในอดีตชาติเราก็มาสร้างสมอชาตินี้ชาติต่อไปมันก็ไวขึ้นเท่านั้นเองถ้าไม่ได้สั่งสมมอดีตชาติ <c oughs> ชาตินี้ <c oughs> <c oughs> ก็ยิ่งไม่ได้สั่งสมอีกมันก็ยิ่งไปข้างหน้ามันก็ยิ่งมืดยิ่งดำไปเรื่อยเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกท่านถึงกล่าวไว้ว่าบางคนมืดมาแล้วก็มืดไปคนบางคนคนบางคน มืดมาแล้วสว่างไปคนบางคนสว่างมาแล้วก็มืดไปคนบางคนสว่างมาแล้วก็สว่างไปหมายถึงว่าอดีตกับปัจจุบันนั่นเองเราก็ไม่คนท้อใ น, นเมื่อถึงแม้เราจะมืดมา <c oughs> เราอาจจะพบเงื่อนไขที่ดีแล้วอาจจะสว่างไปก็ได้หรือบางคนสว่างมาเคยเกิดพบชาติเคยเกิดในทางที่ดี พอเกิดมาชาตินี้ด้วยกรรมของบางชาติบางช่วงมันมาเสวยเขา้าก็ไปพบกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิจฉาทิฐิแล้วไม่มีโอกาสได้บําเพ็ญต่อไม่มีคนชักจูงมาต่อทําให้สว่างมาแล้วก็มืดไปน <c oughs> คนบางคนมันถ้าอดีตก็ไม่ได้บําเพ็ญทางสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมมา ด, ดีนิดๆ ห, หน่อยๆก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกัน แต่ว่าเมื่เกิดเป็นเมื่อแล้วก็ไปเกิดในกลุ่มมิจฉาทิฏฐิสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอึ่อไปศาสนาอื่นที่เขาไม่สอนเรื่องวิปัสนาถ้าตายไปแล้วก็มืดต่อไปอีกแล้วมืดมาแล้วก็มืดไปบางคนสว่างมาสว่างมาบางคนมืดมาสว่างไปบางคนสว่างมาแล้วสว่างไปก็หมายถึงว่าได้สั่งสมสิ่งที่ดีมาในอดีตก็มาเกิดใน กลุ่มของคนที่เป็นสมาธิธที่ไพบกับครูบาอาจารย์กัลยะาณมิตรแล้วก็ได้รู้ทำเรยเร็วก็สว่างไปหมดทุกสว่างไปที่ท่านก็กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเหมือนกันเงินไขเหล่านี้นั้นจึงอยากจะนำเสนอว่าสิ่งเหล่านี้มันมีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่มันเป็นไปโดยไรเหตุปัจจัยการที่เราจะมันร่างตรงนี้ได้เนี่ย มันก็หมายความว่า ม, มีเหตุปัใจจัยให้มาอดีตชาติหรือชาตินี้ก็ตามเราเคยทําในสิ่งที่ดีมาก่อนถ้ามีโอกาสมาพบกันตรงนี้แต่คนที่เขาไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยมาเขาอยากมาแทบตายเขาก็ไม่ได้มาหรือมาแล้วเขาก็อยู่ไม่ได้เนี่ยมันมีเหตุทั้งนั้นแหละมันไม่มีอะไรที่บังเอิญตามหลักพุทธศาสนา นั่นนั่นก็จึงอยากจะให้กำลังใจว่าสิ่งไหนที่เราสร้างสมมาดีแล้วเนี่ยพยายามะคขับประคองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าบุญกุศลที่เราบําเพ็ญมาแรงไม่พอบางทีเรามาพบในสิ่งที่ดีๆแล้วเราไม่เอาไปแนะนำทำต่อบางทีก็ขาดช่วงไปแล้วพอไปสเสวยกรรมประสบทุกข์เจียนตายกลับเข้ามาใหม่ที่นี่ ทีนี้ไอ้ผู้คเก่าเลยเคยบาเพ็ญไว้มันก็กลับมาสนองมันก็ให้มีแรงใจได้สติมีแรงใจทําทําต่อเนื่องก็ทําให้ได้รู้ได้เร็วขึ้นอย่างตัวอย่างหลายแล้ตัวอย่างในข้าพุทธการอย่า ง, า ง, า อ, างองค์คุลิมานเนี่ยเคยสร้างสิ่งดีไมาในอดีตแต่บางช่วงที่เคยในอดีตแต่ชาติบางบางชาติเนี่ยมันแรง ก็มาเสวยผลในช่วงนั้นทําให้ท่านไปทั้งท่านที่พบอาจารย์ดีแล้วต่อมาไปพบเพื่อนที่ไม่ดีทําให้เข้าใจกันผิดท่านก็ค่อยเคลียออกไปเป็นถึงกรรมหานโจรอา้าววิบากกรรมประสบการณ์บางชาติที่ท่านทำมาดีกลับมาเสวยผลท่านผลักดันให้ท่านมาพบกับพระพุทธเจา้าเนี่ยท่านก็เรี่ยน ใช้ความพยายามพบกับการายมิตรก็เปลี่ยนชีวิตได้ไปได้มืดมาแล้วสว่างไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีเหตุเราจรึงประมาทไม่ได้ทุกระยะทุกเวลาในสิ่งไหนที่ไม่ดีไม่เป็นกุศลเราก็ไม่ไม่ควรที่จะไปทำหรือทำแต่ก็น้อยที่สุดอย่าให้มันมากจนแก้ไขไม่ได้กรรมทุกอย่างแก้ไขได้แต่ถ้ามากเกินไปมันแก้ไขยาก สมมุติว่าเรากินยาอย่างเงี้ยนะเขาให้ว่ากินวันละเช้าเม็ดเย็ยนเม็ดเขาให้มาจํากัดไว้แค่นั้นแต่พอเรากินแล้วปรากฏว่าอาการนั้นไม่ไดีขึ้นเราเพิ่มเช้าห้าเม็ดเย็นห้าเม็ดแทนที่ยาจะไปรักษาเยียวยามเกินไปมันก็เลยป่วยหนักเขาไปขึ้ตายไปเลยนี่ก็มีอื เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันนะกรรมที่ไม่ดีเนี่ยบางครั้งมันจำเป็นต้องทำนะเช่นมีลูกมีหลานพูดมาอย่าว่าไม่ฟังก็จำเป็นต้องด่าต้องตีครั้งที่เป็นกรรมไม่ดีแต่เราก็ต้องทาถ้าไม่คือกรรมที่ไม่ดีถ้าในทาเพื่อเพื่อรักษาสิ่งที่ดีได้มากฝ่านั่นเองให้มีเหตุผลอย่างนั้นในการทำกรรมไม่ดีนั้นก็สามารถที่จะ ผลหมดบีบากได้ง่ายเพราะว่ามันอยู่ที่เจตนาถ้าเจตนาเราดีแต่ว่ามันจ้าจำเป็นต้องทำในสิ่งไม่ดีกรรมอย่างนั้นก็มีผลไม่แรงเท่าไหร่นะนเจตนาเราจะรักษาคนป่วยอย่างนี้นะเจตนารักษาคน อ, ยอยันหายแต่ว่า มันเกิดผิดพลาดทางเทคนิคคนป่วยเกิดตายอย่างนี้ในการทำให้คนตายโดยที่เจตนาไม่ได้เจตนาเนี่ยมันก็มีกรรมเหมือนกันแต่ว่ากรรมไม่หนักเหมือนกับคนที่เจตนาแม้แต่กฎหมายก็เช่นเดียวกันเหมือนกับเราเดินไปหรือนั่งรถไปเราไม่ได้เจตนาที่จะไปชนใครเนี่ยแต่ว่าโดยการขาดกุศลนิดเดียวบางครั้ง มันเกิดไปอัซิเดนไปชนเงินเข้าจะเจ็บหรือตายก็ตามก็ถือว่าเป็นกรรมละนะั้นเราก็สวยกรรมไปในจุดนั้นตามเรื่องกฎหมายบ้านเมืองยุ่งยากหมดคดีหมดกันแล้วก็หมดกันนะที่เรื่องเหล่านี้ความซับซ้อนของวัฏสงสารที่เราไม่เข้าใจแจ้งแจงแจ้ ง, จงเรื่องวิปัสนาญาณเมื่อกลายเป็นเรื่องซับซ้อนนะทุกอย่างกลายเป็นเรื่องซับซ้อนลึกลับ ทำให้คนไม่มีความพยายามแต่พุทธเจ้ากล่ า, าวว่าพุทธศาสนาเอากรรมนิยมไม่ใช่ผูมลิขิตเพราะฉะนั้นแก้ไขกันที่กรรมเป็นธรรมนิยมไม่ใช่เทวลิขิตนะเพราะนั้นกรรมก็ต้องเป็นกรรมที่เป็นที่ถูกถ้าเป็นกรรมเข้าใจกรรมผิดก็ไปอีกแบบหนึ่ง ถ้ากรรมที่ถูกหมายถึงว่ากรรมทุกอย่างแก้ไขให้หนักเป็นเบาได้ที่เบาแล้วแก้ไขให้หายได้แต่เข้าใจกรรมที่ผิดเข้าใจว่ากรรมหนักมาไงก็หนักอย่างนั้นไม่ยอมแก้ไขที่เข้าใจผิดหรือกรรมที่เบาแล้วก็ไม่ยอมแก้ไขมันก็ยืดยาวไปอีกทฤษฎีเรื่องกรรมก็มีเยอะแยะเหมือนกัน <c oughs> อันนี้คือข้อดีของวิปัสสนา หรือเราทำบุญกุศลมาน้อยพอมีโอกาสได้พบวิปัสนาสามารถเพิ่มบุญกุศลนั้นได้ให้มหาศาลได้หรือคนที่มีบุญกุศลมาอดีตมามากแต่ไม่พบวิปัสนาไม่พบการปฏิบัติบุญกุศลที่มีม า, มากๆใช้หมดไปเลยก็ได้เห็นไหมบางคนมีเงินมานน้อยแต่เอามาต่อเป็นข้าเป็นขาขเป็นกด เ, เ, เป็นคนโลยเป็นเศรษฐี แต่บางคนเกิดมาเพราะแม่เป็นเศรษฐีใช้ไม่นานกลับเป็นคนจนเป็นหนี้เป็นสินติดตลางไปก็มีอันนี้คือตัวอย่างที่เป็นทางวัตถุเห็นได้ชัดๆตัวอย่างเรื่องของจิตหรือนามธรรมก็เช่นเดียวกันมันไม่ได้ต่างกันเหตุผลมาทางเดียวกันแต่การที่เราไม่มีวิปัสสนาญาณเราสื่อถึงเหตุถึงผลไม่ไม่สื่อถึงกันไม่ได้เราก็เลยสงสัยว่าไอ้ทาไมเป็นอย่างนั้นทไมเป็นอย่างนี้ ใครทําได้รับมาจากใครอะไรเนี่ยเราก็คิดทิศไปก่อให้เกิดข้อสงสัยดังนั้นพระอริเจา้าผู้รู้เรื่องเหล่านี้ท่านไม่สงสัยเพราะท่านรู้โยงเหตุโยงผลเข้าถึงกันดนั้นผู้พระรหันขีนาศพได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า น, นิคังขาหรือนิคังโ ข, งขผู้ไม่สงสัยอะไรอีกท่านได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า น, นิคังโขเพราะสามารถโยงเหตุทั้งวัตถุและเหตุ นามธรรมาเข้าสื่อถึงกันได้ที่ผลเป็นวัตถุและผลที่เป็นนามธรรมาเพราะอะไรเพราะแรงวิปัสนาญาณ น, นะแม้แต่วัตถุเมื่อก่อนเนี่ยการวินิจฉัยโรคอาศัยจากการาถามอาการของคนไข้คนไข้บอกเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่คนได้ถ้าบอกคนไข้บอกอาการไม่ถึงหมอก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกัน แต่เ ม, มื่อมีการพัฒนาวัตถุละเอียดขึ้นวิทยาศาสตร์ละเอียดขึ้นแม้แต่คนไข้เองก็ไม่รู้ว่าตัวเป็นอะไรหมอก็ไม่มีโอกาสจะรู้ทําไงก็มีเครื่องมือมากขึ้นแหละเครื่องมือตรวจวัดหัวใจเครื่องมือจัดตรวจวัดขึ้นเครื่องมือตรวจเลือดตรวจลมจนไปถึงเครื่องมือเอ็กซเรย์จนไปถึงเครื่องมือแคสแกนเห็นไหมมันพัฒนาไปตามลําดับ วิปัสนาญาณก็แบบเดียวกันถ้าเราได้แค่สมถะมันก็แก้ไขได้แล้วหนึ่งแต่มากกว่านั้นแก้ไขม่ไเพราะวิปัสนาญาณขั้นต้นๆก็แก้ไขได้เพราะวิปัสนาญาณขั้นสูงสามารถที่จะแค่สแกนกรรมของตัวเองได้มันก็ไขได้ถูกต้นเหตุกรรมที่มันหนักๆก็หายได้เหมือนกันเพราะมันได้รู้ต้นเหตุละเอียดก็ยิ่งไขได้ถูกต้นเหตุพราะแก่ไขไถูกต้นเหตุสิ่งที่มันผิดพลาดทั้งหลายก็หายได้นะ นั้นสิ่งเหล่านี้เราจรึงประมาทไม่ได้ไงการจเจริญวิปัสนาแล้วเราก็โชคดีที่มาพบในวิธีการของหลวงพ่อเทียนที่เหมาะสมกับอินทรีย์ของเราเหมาะสมกับกําลังของเราเพราะเราเคยทําวิธีต่างๆมาแล้วเนี่ยเราทําไปไม่รอดทําไปไม่ไหวเพราะว่าสติปัญญาเราไม่ถึงความสามารถเราไปไม่ถึงถ้าหากเราไม่พบหลวงพ่อเทียนเราก็ไปตันอยู่แค่นั้นแล้วก็เดินหน้าต่อไม่ได้ จะดินยังไงก็ทำไม่ได้เหมือนกับกำลังเรามีแค่50สกิโลแต่ไอของที่เราจะยกมันหนักหนึ่งรกิโลเราพยายามยังไงก็ยกไม่ขึ้นนะแต่พอเรามีปัญญาขึ้นระดับหนึ่งมันกลับยกขึ้นยกยังไงย้ายที่ของนั้นได้กันแล้วกันนะนะวิธีที่หนึ่งก็พัฒนา น้ำหนักจาก50กิโลให้ตัวเองเมียน้ำหนักเกิน100กิโลก็มีกาลังพอที่ยกของ100กิโลได้แต่วิธีนั้นช้าเกินไปไม่ทันการก็มาใช้วิธีที่สองแบ่งของนั้นออกเท่ากับกำลังของตัวเองสมมติ1สารเข้าสาร100กิโลยกไม่ไหวแต่เรามีห้าน้ำหนัก50กิโลแล้วก็ขนไปค้างละ10กิโล20กิโลเมื่อกี่เที่ยวมันก็หมด ย้ายของหนักได้คนมีปัญญาคุณไม่มีปัญญาอเอาไปไม่ได้หรอกมันหนักเกินไปหินก็นี้ใหญ่เกินไปย้ายไม่ได้หรอกมันก็อไปไม่ได้เหมือนกันวิปัสนาความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนามันเป็นของลึกซึ้งหนักหน่วงถ้าเราไม่มีวิปาาัสนาญาณไ ม, ม่พัฒนาตัวเองให้เกิดวิปาาัสนาญาณเราก็เข้าถึงตัวนี้ไม่ได้ หรือเรายังไม่ได้ปฏิบัติอะไรถ้าเราไปพบกับครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้เราเอาเทคนิควิธีการของท่านมาใช้เราก็สามารถทําสิ่งที่เป็นหนักให้เป็นเบาสิ่งที่ลึกให้ตื้นได้สิ่งที่ยากให้ง่ายได้สิ่งที่ละเอียดก็ให้หยาบขึ้นมาได้นั้นจึงได้กล่าวว่าวิธีการของพระเทียนเป็นวิธีที่เหมาะสมกับอินทรีสีของเรามันก็เหมือนกับแบ่งน้ําหนักจากร้อยกิโลเนี่ยเราก็แบ่งถือไปทีละห้กิโลสิกิโลไม่กี่เที่ยมันก็หมด หรือจะถือเยอะหน่อยเมื่อกี่เที่ยวให้สาเที่ยวก็หมดแล้วข้อสานกระสอบนั่นใช้กํากลังน้อยกว่านั้นนี่อาจจะเพิ่มเป็นเจ็ดเที่ยวสิบเที่ยวยีิบเที่ยวก็แล้วแต่แต่ข้อสารกระสอบนั้นหมดก็แล้วกันฉันได้ก็ดีมรักผลนิพพานเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสูงเรื่องลึกเรื่องหนักหน่วงอย่างไงเราก็สามารถไปถึงได้ถ้าเรารู้จักวิธีการที่จะพัฒนาและแบ่งน้ําหนักใช้ปัญญาอย่างที่เราขนวัตถุเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ที่แนะนําเรา ผู้ที่เป็นกริยาณนะมิตรเราจึงเป็นบุคคลหนึ่งที่สำคัญมากๆถ้าเราไม่ได้พบท่านเราก็ไม่รู้วิธีว่าจะเข้าถึงสิ่งนี้ได้อย่างไรเหมือนกับคนคนนั้นจะยกข่อยสารไปเนี่ยแต่ไปพบท่านผู้รู้ผู้หนึ่งอมึงยกร้อยกิโลไม่ไหวมึงก็ยกไปทีละสิบกิโลสิแบ่งไปสิพอมาแน่นนั้นก็ได้ดวงตาอ๋อใช่เราโง่ไปอันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าคุณไปทำวิปัสนาถ้าคุณนั่งหลับตาลมหายใจคุณไปไม่รอดคุณก็ไปติดอยู่แค่ง่วงแค่เงอแค่ความสงบแค่ฤทธเดชฌาญปฏิหารคุณไปต่อไปไม่ได้คุณไปทางนี้สิคุณจะออกจากนิวรณ์ได้คุณจะออกจากความสุบได้คุณจะออกฤทธเดชปฏิหารได้คุณไปทางนี้สิเราก็ทําต่างพรอทำทำออมมันไปได้จริงๆลักษณะเดียวกันมันไม่ได้แตกต่างกันเลยแต่เราขาดท่านผู้รู้มาชี้เรามาชี้แนะเรา เราก็ตีบตันอยู่แค่นั้นแล้วก็ทอ้อภาศสนาบาบ ร, รมีไม่พออย่าทําเลยทําไปก็เหนื่อยเปล่าเห็นไหมนี่คือความไม่เข้าใจมันคิดไปอย่างนั้นทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์มีสติปรรัญญามีสติสัมปชัญญะปกติไม่พิกลพิการไม่เป็นวิกลจริตเนี่ยมันภาสนาบาบรีมันพออยู่แล้วเนี่ย แค่ได้ภาวะมาเป็นมนุษย์มาพบพุทธศาสนาพบกรณีมิตรความวัสนามันมากพอยอยู่แล้วเนี่ยแต่เรามันพัฒนาไม่ไม่ถูกด้วยนั่นเองอ่าไม่มีอะไรที่โชคดีไปเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาพบครูบาอาจารย์พบวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยไม่มีอะไรที่จะวัฒนารรมบา ร, รมีมากกว่านอี้แล้วแต่ว่าไปไม่ถึงหรือไปช้าเราก็ใช้ความพยายามแล้วทีนี้เพราะนั้นเสียดาย หลายคนที่เข้ามาสูงวงการนี้แล้วแล้วเอาอะไรไม่ได้เพราะเขาขาดอย่างที่ว่านั่นแหละบุญกุศลที่สร้างสมมาอาจจะไม่พอที่จะส่งแม้จะโชคดีแล้วก็ตามแต่แรงส่งมันไม่พอเหมือ่อเนื้อขับรถขึ้นเขาเนี่ยรถเราดีอยู่นะแรงก็ดีแต่เราขับไม่เก่งพอขับไปเข้าเกียร์ ที่จะเข้าเกียร์ให้แรงสูงมันพ้นมอนกับเข้าเกียร์ไม่ถูกแรงสูงแทนที่จะเหยียบเปลี่ยนเกียร์มาเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองมีแรงขึ้นเราเคยเหยียบเกียร์สีเกียร์ห้าเราก็เหยียบอยู่แค่นั้นมันก็หมดแรงสูงเลยเกียร์สี่เกียร์ห้าใช้กับพื้นราบหรือที่เตี้ยๆหน่อยพอขึ้นสูงกว่านั้นไอ้เกียร์สีย้ามันเล่มไม่ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเกียร์มาเป็นหนึ่งเป็นสองนั้นมันไม่ใช่เป็นตำหนิรถไม่ได้นะแต่ตำหนิเราเป็นผู้ขับนี่แหละเข้าเกียร์ไม่ถูกอืม เพราะนั้นสติปัญญาความสามารถเรามีพอแต่ความเข้าใจของเราไม่พอเขาต้องอาศัยการยมิตรมาแน่เอาคุณเกย์ปีเกย์สี่เกย์ห้ขึ้นใดคุณขึ้นระดับเนี่ยมันสูงขนาดเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนมาเป็นเกยหนึ่งเกยสองเหรือเกยสาอย่างต่าเนี่ยคุณก็ผ่านได้สบายเห็นไหมมันแค่รับนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ปัญหาสําคัญเรารู้แค่เนี้ยแต่ว่าเราไม่พบผู้รู้ที่รู้กว่าเราแค่นี้เท่านั้นเองแดีวเราขับรถ ไม่ชำนี้ชํานาญเท่าไหร่แต่เราก็ขับไปแล้วมันไปติดตรงนั้นข้ามเขาไม่ได้ข้ามมอไม่ได้แต่ไปพบคนที่เขาขับรถเก่งกว่าเขาแนะเราก็ข้ามได้เนีเพราะฉะนั้นเรื่องประสบการณ์ชีวิตนอกจากจะมีความสําคัญแล้วกิริยะามิตรก็มีความสําคัญไม่น้อยคือครูบาอาจารย์สิ่งแวดล้อมเพราะนั้นเราจึงให้ความเคารพ บ, บูชาครูาอาจารย์มากๆากยังไง เรบูชาแล้วบูชาอีกกราบไหว้ท่านทุกวันทําวัดเรามีกิยจยานมิตรอย่างพระพุทธเจ้ากิจยานมิตรอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายกิจยานมิตรอย่างพระเอเจ้าทั้งหลายเนี่ยเคารพบูชาท่านทุกวันก็พ้อยตรงนี้แหละท่านมีความสําคัญแต่ถ้าหากว่าเราไม่เห็นเหตุผลตรงนี้เราก็ทําไปแบบง ม, มงาย อ, อีกการทําวัดสดมูลอย่างง ม, มงายบ้าคลั่งเขาเยอะแยะผลก็ไปอีกแบบหนึ่งแหละไม่ได้ทําวัด สดมลเพื่อที่จะเสริมในเสริญคุณของท่านมันก็ไม่เกิดสติปัญญาที่จะไปพัฒนาเสริมต่อตรงนั้นเมื่อเกิดตัวอวิชชาเกิดความโมหะขึ้นมาอีกในประเทศไทยเราก็มีอย่างนั้นเยอะแยนะนดังนั้นจึงอยากให้เห็นเหตุของสิ่งเหล่านี้ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรแล้วก็มีที่มาที่ไปมีเหตุมีผลที่เป็นไปได้ ทีนี้พอเรามาพบวิธีการของก็เทียนแล้วหลายคนก็ยังเอาไม่ได้อีกนะเป็นพระบางทีก็สึกไปเป็นโยมบางทีก็เลิกไปก็เยอะแยะไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะไปได้ทั้งท่าที่แน่แล้วบอกว่าเนี่ยเ้าสารเนี่ยกระสอบนี้คุณแบ่งไปดิห้ากิโลสิบกิโลมันก็ยกไปได้แต่ว่าไม่มีความตั้งใจถึงบอกว่า ยกมาได้ก็ย่อไปเลยบอไงผมก็ไม่เอาลอะผมไปเอาอยัางอื่นดีกว่าอันนี้คือเหตุปัจจัยในระหว่างกลางมันละเอียดซับซ้อนมากถ้าเราคิดเราจะคิดในแง่ของนา ม, มาทําออกเทาที่คิดถึงในลูกประธรรมเสก่อนแต่การที่จะเห็นลูกทำนามธรรมเราก็ต้องปฏิบัติจนได้ดวงตาตามวิธีการของวัฒเทียนท่านลำดับได้ถูกมากเห็นลูกเห็นนาม ชัดเจนแล้วจะไปเห็นรูปธรรมนามธรรมพอเห็นรูปธรรมนามธรรมเริ่มสื่อเหตุหาผลซึล่งผลหาเหตุได้แล้วเริ่มสู่อนามหารูปสื่อรูปหานามได้แล้วเพราะฉะนั้นอารมณ์เบื้องต้นคืออารมณ์รูปนามจึงเป็นลามที่สําคัญมันเป็นการเปิดดวงตาครั้งแรกนะเห็นสามารถเห็นสิ่งหยาบสิ่งละเอียดได้ถ้าดวงตายังไม่เปิดเห็นสิ่งหยาบละเอียดเป็นสิ่งเดียวกัน มันมันลิงมันเห็นมะพร้าวอ่ะมก็กินไม่ได้เพราะมันเห็นแต่ลูกมะพร้าวมันแต่ความจริงในมะพร้าวมันก็มีสิ่งที่ดีอยู่แต่มันก็ไม่มีปัญญาที่จะเข้าไปถึงแต่พอเป็นมนุษย์มันรู้ปัญญาระดับมนุษย์มันอ๋อนี่มันเปลือกมันหนีหยาบข้างในมันละเอียดคือเนื้อมันผ่าเข้าไปได้นะบางคนเจอมะพร้าวแต่กินไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องมือทําไม่เป็นก็กินไม่ได้ถึงแม้เป็นมนุษย์ก็ตามอืม เพราะฉะนั้นการรูรปนามเบื้องต้นมาจึงเน้นมากแล้วการรู ป, รปนามนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะยากอะไรเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักเท่านั้นเองทุกคนมีอยู่แล้วอารมณ์รูปนามความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยใครจะไม่มีความรู้สึกลึกได้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรคิดอะไรทุกคนมีอยู่แล้วเนี่ยนี่ก็เป็นรูปเป็นนามแต่ทำไมเราจึงเห็นชัดไม่ได้ล่ะเพราะแรงมันไม่พอไง ดันได้กล่าวแล้วว่า EC ห้านทุกคนมีครบแต่ว่ากําลังมันไม่พอนะเด็กก็มีเอา ว, ว่าทุกส่วนเหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เอา ว, ว่าทุกส่วนมันเด็กแต่พอไปยกของหนักทำไมเด็กยกไม่ได้เพราะกำลังมันไม่พอนะเพราะฉนั้นเราต้องมาพัฒนากําลัง <c oughs> ให้มากขึ้นเท่านั้นเองพอกําลังมากขึ้นเพียงแต่เกิดปัญญาเท่านั้นเห็นอ๋อ ควรู้สึกตัวทุกข์เพรามีแล้วนี่แต่ทําไมถ้าปัญญามันไม่เกิดเนี่ยความมั่นใจความเชื่อมั่นจุดนี้มันไม่มีไงมันยังเลงเละอยู่เห็นอยู่ก็ยังลังเละไอ้ใช่หรือเปล่าเนาะจะบอกตรงันไหนก็เอาไม่ได้เพราะเราไม่เกิดปัญญาเองนะมันก็ไม่แจ่มแจ้งมันก็ยังสงสัยแต่วันใดวันหนึ่งมันเกิดปัญญามาอ๋อตัวนี้เองมันไม่สงสัยแล้วทีเนี้พอมันไม่สงสัยมันมีผลยังไงมันมีผลมัน ไม่ส่งจิตออกบ่อยเหมือนกับที่เราสงสัยเมื่อเรารู้รูปนามแบบสงสัยเนี่ยมันก็ยังส่งจิตออกบ่อยอยู่แต่ถ้าเรารู้นามแบบปัญญาญาณมันจะไม่สงสัยจิตมันจะไม่ได้ส่งออกบ่อยถึงส่งออกแต่มันก็กลับเข้ามาได้ไวนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องได้ดวงตาเห็นธรรมคือการเห็นรูปเห็นนามเหรูปเห็นนามก็คือจิตมันเกาะเกี่ยวอยู่ในปัจจุบันน่ะ แต่ถ้ายังไม่เห็นดูเห็นนามด้วยปัญญาเนี่ยเห็นด้วยสัญญาเนี่ยมันรู้อยู่นะความรู้สึกรึได้ใครก็รู้ความจำได้ไมาให้รู้หรื อ, อความรู้สึกตัวใครก็รู้แต่ทำไมจิตัยังส่งออกอยู่ก็เพราะว่ามันไม่มีความแน่ใจทำไมไม่แน่ใจเพราะยังไม่เกิดปัญญาเห็นความสำคัญนี้ที่จะทำไงให้ปัญญาตัวนี้เห็นเพิ่มก็ทาความความเพียร น, นะต้องทาความเพียร ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มแรงของปัญญาไปเห็นชัดขึ้นนั่นเองเพียนมากขนาดไหนอ่ะมากจน เ, เราหายสงสัยในสิ่งนั้นนั้นหายสงสัยในขั้นรูปนามเพียนขนาดนี้แต่พอไปเรื่องรูกทำนามทำมันจะต้องเพียนต่อไปอีกเพียนระดับนี้ไม่ได้ยกระดับความเพียนให้สูงขึ้นอีกตอนแรกเรายกระดับไม่ได้เพราะเราเพียนปัญญายัางไม่เกิดมันเพียนได้จํากัด เพียนได้แค่นี้ก็เบื่อแล้วเพียนได้แค่ง่วงแล้วเพียนได้แค่นี้ก็ขี้เกียจแล้วเพียนได้แค่นี้ก็ร่างกายไปไม่ไหวแล้วแต่พอไปในขั้นไปเห็นรูปทำนามทอหรือเห็นน้ํารูปเนี่ยเพียนระดับนั้นไม่พอพอไปเห็นรูปนามแล้วความเพียนมันเพิ่มขึ้นได้เอาะเมื่อก่อนเวลามันง่วงมาเราเลิกเดี๋ยวนี้เราไม่เลิกก็ได้เนี่ยมีวิธีแก้เมื่อก่อนทําไปแล้วมันเกิดเบื่อขี้เกียจเมื่อก่อนเราเลิกไปเลยเดี๋ยวนี้ไม่เลิกก็ได้เนี่ย ปัญญาเรื่องเห็นบอกาอ๋ อ, อมันเบื่อก็ทําแบบนี้ไปสิที่จะหายเบื่อเอามันคิดทําแบบนี้สิที่มันจะหายคิดมันฟุง้งซ่านเอาทําแบบนี้ไปสิมันจะหายฟุง้งซ่านปัญญามันเรื่องเกิดเห็นเหตุ sis, ที่จะแก่ไงนี่คือการเกิดปัญญาลู่เห็นตามลาดับปัญญาตัวนั้นมันจะช่วยเราให้ทําความเพียรได้มากขึ้นอย่างไงแต่ถ้าไม่เกิดปัญญาตัวนั้นเห็นลูน่นาำซะก่อนมันความเพียรมันจํากัดเพราะเรา ไม่รู้ทางแก้ไขปัญหาแต่พอมันเกิดปัญญาญาณตัวนี้ขึ้นมาระดับต้นๆเนี่ยเมื่อปรกดความเพียรไปมันปีปัญหาอุปสรรคตรงไห น, นมันแก้ไขเป็นในระดับหนึ่งแต่ในระดับละเอียดเรื่องลงไปอาจจะแก้ไขไม่เป็นก็ทําวามเพียรต่อไปอีกจนเห็นรูปทำนำทำเห็นรูปลกนําโลกอ่ะยิ่งเห็น ละเอียดมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยปัญญาเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นยิ่งแก้ปัญหาเรืองบุศก์ได้มากขึ้นยิ่งแก้ปัญหาบุศก์ได้มากขึ้นมันก็ไปสู่การกระจัดกิเลสอาสวะได้มากขึ้นอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมเราจะต้องไปรู้รูปนามก่อนเพื่อให้มันเกิดความมั่นใจระดับต้นนั่นเองให้เกิดปัญญาระดับต้นแต่บางคนมีปัญญามากพอไปเห็นรูปนามปั๊บทะลุไปเห็นนู่นเลยนะเห็นสมบูตเห็นปรมัติตเห็น กิเลสห็นอสวะเลยแต่บางคนปัญญาไม่มากเห็นไปตามลําดับนี่ว่าทําไมคนเรืองรู้ไวไคนมาคนเึงรู้ช้าบางคนรู้ตั้งหลายปีก็จะไปรู้ขั้นนั้นอาปฏิบัติอีกหน่อยอีกเป็นหลายปีถึงไปรู้ขั้นนั้นปัญญาบางคนมีน้อยก็พัฒนาไปตามลําดับบุญไม่พอก็พัฒนาแต่มีศรัทธาแรงก็ยังมีบุญที่มีศรัทธาดีแต่บางคนมีบุญมีศรัทธามีปัญญาด้วยพอเห็น แค่นี้ปมันก็ไปเจาะทะลุถึงขนานั้นนั่นเราจะเห็นว่าในสมัยั้าพุทธกาลพุทธิเจ้ า, าแสดงธรรมปับบางคนนี่กันเดียวบรลรลุพระอรหันต์เลยแต่บางคนนี่แค่ได้ดวงตาเห็นธรรมเบื้องต้นก็อยู่กับพุทธเจ้าตลอดเวลาอย่างพระอนุน่ะถึง25ปีหลังจากพุทธิเจ้าผ่านแล้วถึงจะบรรลุก็ ม, มีเห็นไหมไม่ใช่ว่าคนทุกคนที่อยู่ใกล้พุทธิเจ้าเลยจะบรรลุธรรมทันทีไม่ใช่ต้องขึ้นอยู่บุญบรารมีสติปัญญาของเขาด้วยว่าเขาพร้อมแค่ไหน แม้แต่ยังพระเทวทัศน์ยอยู่กับพุทธตลอดก็ตกนรกอีกต่างหาก ม, มันไม่ใช่ว่าทุกคนเสมอไปดังนั้นเรื่องราวนี้เราให้เข้าใจเอาไว้เพื่อเราจะได้ไม่ท้องเวลาไปปฏิบัติมันจะได้เห็นเหตุเ ห, เห็นปัจจัยแก้ไขเป็นแล้วมันก็พิสูจน์สติปัญญาเพิ่มสติปัญญาเราการที่เรามีเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาสต สัมผัสยาปกติเนี่ยถือว่าบุญสูงสุดแล้วแต่เราจะต่อบุญนี้ให้มันสูงกว่านี้ได้อย่างไรขึ้นอยู่กับศรัทธาของเราขึ้นอยู่กับปัญญาของเราที่พัฒนานะมันก็จะง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นจุดนี้จึงอยากจ ะ, จะให้เข้าใจเหตุผลจนปลายเลยต่างๆโดยไม่สงสัยว่าไอ้ทำไมเป็นงังนงทำไมไม่เข้าใจในตรงนี้ชัดเจนแล้วมันก็ไม่ต้องลังเลแล้วทีนี้ทุ่มใส่เลย พอทุ่มใส่ปั๊บมันไม่นามก็รู้แต่ในกรณีทุ่มใส่แล้วแล้วปัญญาระดับหนึ่งมันตามไม่ทนันพอเกิดไปเจอปัญหาแบบนี้แก้ไม่จบเราก็ทุ่มไม่ได้แล้วก็ถอยถอยมาตั้งตามความกำลังของเราเมื่อเราขึ้นเขาอะบางคนนี่กำลังก้าขาแข็งเขาชันขนาดเขาขึ้นไปได้เลยเดินดุยขึ้นไปตรงๆได้เลยแต่บางคนกำลังไม่พอที่จะขึ้นตรงไม่ได้ขึ้นอ้อมหน่อย คนกาลังน้อยกว่นั้นอ้อมอีกหน่อยยิ่งอ้อมก็ยิ่งช้าก็ยังดีที่มีความพยายามเพิ่มขึ้นออันนี้อุปมาให้ฟังหลายๆครั้งหลายๆอย่างให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นเห็นปลายระหว่างการสื่อกันถึงรูปธรรมและนามธรรมสื่อกันระหว่างในส่วนที่เป็นประมาภิสมมุติเข้าถึงกันอย่างไรนะเพราะฉะนั้นในช่วงเช้านึกคิดว่า ได้ให้ขอคิดที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองโดยที่ไม่ท้อถอยและไม่ต้องปารบเหตุปัจจัยรอบข้างถ้าเราค่อยใจอย่างนี้ใครจะทําให้ทําให้สนใจเราจะทําใครจะมีจะให้กําลังใจไม่ให้ไม่สนใจเราจะทําแต่ถ้าหากว่าเรายังปารบเหตุรอบข้างอยู่ก็กําลังศรัทธาอะไรยังไม่พอ กำลังปัญญาเราไม่พอต้องอาศัยเหตุรอบข้างช่วยต้องมีเพื่อนหลายๆคนปฏิบัติถึงจะมีกําลังใจต้องมีครูบาอาจารย์คอยดูแลถึงจะมีกําลังใจต้องได้สํานักเงียบๆดีๆได้มีกําลังใจอั น, นยังเหตุปลาลบเหตุรอบข้างอยู่ปัญญายัางไม่เกิดเต็มที่ก็ต้องพยายามต่อไปนะดังนั้นเรื่องเหล่านี้มีที่ไปที่มามีเหตุมีผลที่เราตรองตามเห็นได้เป็นความอัศจรรย์ เป็นปฏิหารอย่างหนึ่งของธรรมะคําสั่งสอนหรือเจ้าที่ท่านใช้คําว่าอนุสาสนีปฏิหารเพราะปฏิหารในพุทธศาสนาจะมีสาระดับเืออิติปฏิหารอาเทศนาปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารเหล่านี้ไปจนเพราะนั้นส่วนหนึ่งที่คนจะได้เข้าใจทั่วไปคืออนุสาสนีปฏิหารคือเห็น เหตุเห็นผลเห็นลำดับขั้นตอนโดยชัดเจนตามลำดับเป็นอนุศาสนีก็เป็นปฏิหารอย่างหนึ่งเรารู้ได้นนในช่วงเช้านี้สมบุกสมบูรณก็ขออนุโมทนาสาธุที่เราจะเป็นแนะนำทําต่อสืบต่อการปฏิบัติของเราให้ถึงที่สุดโดยการทุกคนทุกท่านเถอ